วันนี้วันมาคบูชามีความสำคัญยังไงพวกเราก็ควรจะรู้อยู่แล้วต้องพูดแต่วันนี้มันเหมือนวันชุมนุมผู้ช่วยสอน <c oughs> พวกผู้ช่วยสอนที่เรียนกับหลวงพ่อมาถึงวันนี้ที่พอจะช่วยกันได้ก็หลายสิบอยู่ mm hmm. เมื่อก่อนก็เป็นแบบพวกเรา อ, อยู่แต่จะช่วยสอนคนอื่นช่วยสอนตัวเองอยังไม่ได้ทุกคนก็เริ่มมาจาก จุดที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้นี่อาศัยความอดทนของแต่ละคนค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ฝึกให้มีสตินี่จุดตั้งต้นของการปฏิบัติเนี่ยคือฝึกสติ พระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าตราบใดที่ยังมีผู้ฝึกสติปัฏฐานอยู่การได้ธรรมะก็ยังมีอยู่ธรรมะไม่สุญไม่หมดธรรมะจริงเป็นของกลางของโลกไม่เคยหายไปไหนหรอกแต่คนมันละเลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกก็ไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติ พระเจ้าเจ้าบอกวิธีให้แล้วอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้นถ้าทำตามที่ท่านสอนก็เริ่มตั้งแต่หัดรู้สึกตัวคนในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวหรอกเมื่อสักยี่สิปีก่อนหลวงพ่อพูดเรืด้ยๆเวลาใครมาเรียนด้วย บอกในโลกนี้หาคนรู้สึกตัวแทบไม่มีเลยเรืนอต้องหัดรู้สึกตัวก่อนเมื่อก่อนไปเรียนจากครูบาอาจารย์แล้วก็ตระเวนดูสำนักปฏิบัติต่างๆกระทั่งสำนักที่ครูบาอาจารย์ดีๆบางที่ก็มีแต่อาจารย์ที่ภาวนาได้คนส่วนใหญ่ ไม่รู้สึกตัวไม่มีสตินั่งกำหนดลมหายใจนะจิตก็จมไปอยู่ในลมหายใจยพูดโทรไปทีจิตก็หนีไปที่อื่นเลยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนนั้นหลวงพ่อเ่็นสอนพวกเราที่เรียนใหม่ๆด้วยกันในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัว มีแต่คนลงคนทั้งหลายเนี่ยมันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตนี่มันหลับมันฝันตลอดเวลาจิตไม่ตื่นตื่นแต่ตัวจิตอยู่ในโลกของความคิดความฝันทั้งวันเมื่อจิตไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันแล้วจิตก็รู้ความจริงไม่ได้จิตไม่ได้อยู่ในโลกของความจริง น, uh. น, นั้นหัดช่วงแรกๆนะหลวงพ่อจะเน้นเรื่องให้รู้สึกตัวให้เป็นช่วงแรกๆหลวงพ่อสอนเพื่อนๆกันในกลุ่มหนึ่งถึงเวลาวันหยุดวันอะไรนก็ไปวัดกันจี่นั่งรถตู้ไปครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจิตไหวเห็น เข้ามาในวัดท่านมองปลาท่านอุทานว่ามันไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงตอนนั้นไม่ได้ให้พวกได้ธรรมะนะแค่รู้สึกตัวเป็นรู้สึกตัวเป็นหนึ่งรถตู้เนี่ยรูบาจารย์ออกปากว่าเยอะจังพราคนในโลกมันไม่รู้สึกตัว สอนมาหลายๆปีแค่รู้สึกตัวเนี่ยไม่พอและวเพื่อต้องหัดเจริญปัญญาได้รู้สึกตัวนี่ก็คือจิตมีสติกับสมาธิลักษณะของจิตที่มีสติมีสมาธิก็คือจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสติรู้สึก มีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติรู้สึกจิตเป็นคนดูพวกที่เรียนกัหลงพ่อตั้งแต่ส่วนโพตั้งแต่เริ่มกรอบไก่ยุคนอนจะได้ยินคำว่าไม่เผลอกับไม่เพ่งใช่ไ้มจาได้ไหมไม่เผลอกับไม่เพ่งบางคนหัวเราะหลวงพ่อเลยนะได้ยินสอนไม่เผลอกับไม่เพ่งดูไรสาระมาก เขาไม่รู้ว่าหลวงพ่อสอนสมาธิสภาวะที่ไม่เผลอสภาวะที่ไม่เพ่งเป็นสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานนั่นคือสภาวะที่จิตทรงสมาธิอย่างถูกต้องนี่พวกยุคหนึ่งนะเขาไม่รู้จักสมาธิเขารู้แต่มิจฉาสมาธิฝึกให้จิตสงบให้จิตนิ่งอยู่เฉย งั้นถ้าใครมาเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของจิตนั่นเดี๋ยวเผลอบ้างเพ่งบ้างอะไรเงี้ยถือว่าไม่มีสมาธิครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยไม่เคยสงสัยหลวงพ่อเลยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่จํานวนมากนะที่ท่านฟังซีดีหลวงพ่อท่านไม่ได้ฟังเพื่อหาวิธีปฏิบัติหรอกท่านปฏิบัติเก่ง ท่านฟังเราร่าเริงใจนี่คนไม่เข้าใจสมาธิที่ถูกต้องนะถ้คิดแต่ว่าจะต้องทำจิตให้สงบสมาธิที่ถูกต้องคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองก็ไม่เผลอลืมตัวเองในขณะเดียวกันไม่ได้เพ่ง บังคับจิตให้นิ่งอยู่ในตัวเองนั้นไม่เผลอก็ไม่เพ่งนะั่นแหละถูกเป๊ะเลยตามสภาวะนี่พวกเราก็ฝึกกันมาเรื่อยๆนะตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่ได้บวชกนะสอนเพื่อนๆกันสอนถัดจากรู้สึกตัวได้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วเนี่ย สิ่งที่เราต้องฝึกต่อไปหลวงพ่อมาบวชเนี่ยคนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยมีนับจํานวนไม่ท่วนน่ะเยอะแยะเลยหลวงพ่อก็บอกแค่นั้นไม่พอลนะถ้าสิบปีก่อนรู้สึกตัวสิบปีนี้ก็ยังรู้สึกตัวอยู่แค่นี้นะถือว่าด้อยพัฒนาเราพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่อยู่กับที่ความดีต้องพัฒนาขึ้นไป จุดที่พัฒนาถัดขึ้นไปก็คือการแยกขันรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่พอต้องแยกขันได้เมื่อห้าปีก่อนหลูพ่อยังพูดเลยใครแยกขันไม่ได้นี่นะล้าหลังแล้วเมื่อก่อนมีลูกศิษย์อยู่กลุ่มนะเรียนจากอินเทอร์เนต็ตแล้วมา เป็นอะไรพวกพี่เลี้ยงอ่ะเป็นพวกพี่เลี้ยงกันกลุ่มใหญ่แนละ้วหลายสิบคนช่วยหลวงพ่อทํางานในช่วงแรกเวลาหลวงพ่อสอนแล้วคนยังไม่เข้าใจพวกพี่เลี้ยงก็ไปช่วยอธิบายพอผ่านมาหลายๆปีหลวงพ่อก็เตือนพวกพี่เลี้ยงว่าพวกพี่เลี้ยงอยู่กับที่นะ ในขณะที่ลูกเลี้ยงทั้งหลายนะพัฒนาไปเรื่อยๆบอกระวังนะถึงวันหนึ่งจะตกประวัติศาสตร์ไม่ใช่สอบตกหรอกหมายถึงว่าหมดบทบาทไปไม่ใช่หลวงพ่อแกล้งแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอะไรที่ปรับตัวไม่ได้อะไรที่พัฒนาไม่ได้ในขณะที่คนอื่นทุ ก, ก้าวไปเราย่ําอยู่ที่เดิมนะมันกลายเป็นว่าเราล้าหลังไป ถัดจากยุคนั้นมาก็เริ่มมีคนที่ภาวนานะเริ่มได้หลักของใจภาวนาเป็นจริงๆแล้วมาช่วยกันทำงานก็มนันแล้วๆสามสิบคนตอนนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรอกแต่ว่านับๆดูนะกลุ่มนี้มันถึงจุดที่ว่าไม่หยุดนิ่งแล้ว จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆลนะตามวันเวลาและตามความใส่ใจบางคนมีปณิธานขอเกิดอีกหลายๆรอบขอไปถึงที่สุดสมัยพระเมธไตรมีนะบางคนคิดได้ไงก็ไม่รู้ยังมีห่วงใหญ่อยู่นะ มีห่วงบัต ด, ดี้คู่หูอยากไปได้วยกันบางคนก็ไม่อยากอยู่นานอยากจบไปไวๆอะไอยู่ที่ตัวเองที่ตัวเองการปฏิบัติมาถึงจุดที่มันช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้นี่หลวงพ่อเทรนคนกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้ว หวงพไม่ให้อยู่เฉยๆหรอกฉันทำงานเหนื่อยจะตายเธอก็ทำม้างสินะเลยให้มาช่วยสอนพวกเราวันนี้ยังช่วยสอนไม่ได้นะส่วนใหญ่เราต้องสอนตัวเองให้ได้ก่อนหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าฝึกตัวเองดีแล้วนะค่อยฝึกผู้อื่น เงินเรียนให้รู้เรื่องก่อนเรียนให้จิตมันเข้าใจธรรมะจริงๆก่อนระหว่างจิตเข้าใจธรรมะกับเราเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่เหมือนกันเราเข้าใจธรรมะมันเข้าใจด้วยสมองจิตไม่ใช่สมองสมองเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมแต่จิตที่ฝึกดีแล้วมันไม่เสื่อมหรอก แก่เท่ายัางไงสติสมาธิมันก็ทรงตัวอยู่ปัญญามันแจ่มแจ้งนั้นมันไม่ทุกข์อีกมันไม่ต้องรักษาไม่เหมือนสมาธินะสมาธิต้องรักษาแต่ว่าจิตที่พัฒนาดีแล้วมีปัญญาแก่รอบขึ้นมาเป็นรอบรอบไปมีทั้งหมดสี่รอบได้ตั้งแต่รอบที่หนึ่งเป็นพวกที่ มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยมีศีลบริบูรณ์หมายถึงว่าเวลาจะทำผิดศีลเนี่ยมันจะมีฮิริโอตปะเกิดขึ้นละอายใจที่จะทำเนะพราะละอายใจที่จะทำผิดศีลมไม่อยากทำ mm hmm. มื่อก็กลัวผลของบาปเรียกมีหิริโอตปะ เงินศีลดีเรามีฮิริอตตปะมีสติเวลากิเลสแรงๆมานี่มีสติรู้ทันเขาไม่ผิดศีลมีสมาธิเล็กน้อยก็คือจิตใจไม่ค่อยอยู่กับนั้นกับตัวหรอกหลงเก่งพอๆกับพวกเราแหละเดียเด๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงที่หลงยาวด้วยซ้ำไปสมาธิเล็กน้อย ปัญญาเล็กน้อยก็คือแค่เห็นความจริงบางส่วนของรูปนามขันห้าว่ารูปนามขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีเราที่ไหนเลยไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกเหนือจากขันห้าขันห้าก็ไม่ใช่เรานี่เป็นปัญญาขั้นต้นปัญญาเล็กน้อยกต่พวกเรา ต้องเรียกว่าน้อยมากๆนะต้องได้เข้าใจธรรมะไปขั้นหนึ่งและรเรียกว่าปัญญาเล็กน้อยถัดจากนั้นก็ภาวนาไปอีกมีสติรู้กายรู้ใจนั่นแหละปัญญาคือความรู้ถูกเข้าใจถูกมันก็มากขึ้นมากขึ้นนะพอมันตัดกิเลสรอบที่สองเนี่ยศีลบริบูรณ์มาแต่ขั้นที่หนึ่งแล้สมาธิปานกลาง ปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิปันกลางหมายถึงว่าจิตใจไม่ค่อยลืมตัวเองจิตเคลื่อนปุ๊บรู้สึกเคลื่อนปุ๊บรู้สึกไม่ใช่เคลื่อนแล้วหายไปทั้งวันนะนนสมาธิมันดีขึ้นเคลื่อนไม่มากเคลื่อนก็รู้สึกแหละงั้กิเลสจะเบาบนะางเพราะสติก็เร็วสมาธิก็ดี จิตไม่สามารถปรุงกิเลส ช, ชั่วหยาบรุนแรงได้กิเลสจะเบาบางส่วนปัญญาก็ยังเท่าใกล้เคียงกันนะยังไม่ได้มีความรู้อะไรโดดเด่นพิเศษขึ้นมาแต่ว่าสมาธิอันดีขึ้นทพอนานไปจนมันตัดครั้งที่สาม ตอนนศีลบริบูรณ์อันนี้บริบูรณ์มาแต่แต่ขั้นแรกนะสมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางนีสิ่งที่เพิ่มมาเด่นๆนะคือสมาธิมันเต็มปัญญาปานกลางสมาธิเต็มเป็นยังไงจิตมันทรงตัวเด่นดวงขึ้นมามันถอดตัวเองหลุดออกจากโลก ถึงจะอยู่กับโลกเนี่ยแต่อยู่เหมือนดอกบัวอยู่ในโคลนตมไม่เปื้อนงินถ้าเราภาวนานะเรามีหูมีตาเราเห็นคนคนหนึ่งจิตเขาไม่เกาะโลกเลยโดยที่เขาไม่ได้เจตนาเลยเนี่ยเขาผ่านกระบวนการพัฒนาขั้นที่สามมาแล้ว ปัญญาพวกนี้เป็นปัญญาปานกลางปัญญาขั้นต้นเห็นความจริงว่ารูปนามขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราของเราไม่มีนเมื่อขันห้าไม่ใช่ตัวเราแล้วขันห้ามันเป็นอะไรจะเห็นปัญญาขั้นกลางก็จะเห็นตัวรูปธรรมเป็นตัวทุกข์เห็นตัวรูปธรรมเป็นตัวทุกข์ นพวกเราบางคนบอกว่าเห็นร่างกายเป็นทุกข์มันเห็นไม่จริงนะไม่เห็นด้วยโทสะมันไม่ใช่เห็นด้วยปัญญาแบบหลุดออกมานะถ้าเห็นร่างกายมันทุกข์นี่ยจิตจะว่างกายไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือกายก็ไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสปุถพภะ ก็ไม่มีความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิลาพาพก่นรสปุถะพระพุถะพรคือสิ่งที่สัมผัสร่างกายแล้วก็ไม่มีความยินร้ายต่อรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระละกามและปฏิฆาไ ด, าได้กามคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระปฏิฆาคือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะะ กระทางตายังไม่ยึดหนึ่งมันจะไปยึดรูปทําไมกระทางหูมันยังไม่ยึดหนึ่งมันจะไปยึดเสียงทําไมไม่ยึดรูปจิตก็ไม่กระเพิ่อมหวั่นไหวยินดีหรือยินร้ายเพราะรูปไม่ยึดเสียงจิตก็ไม่กระเพื่มหวั่นไหวเพราะเสียงไม่ยึดกลิ่นไม่ยึดรสไม่ยึดสิ่งที่สัมผัสกายจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่น ไ, ไ, ไ, หไหวนี่บางคนปฏิบัตินะเดินปัญญาด้วยการพิจารณากายไปเนะี่ย ก็จะเห็นกายนี้คือตัวทุกข์แต่ถ้าเราเดินมาด้วยการดูจิตจะเห็นอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อไรเกิดความอยากเมื่อนั้นเกิดความทุกข์เมื่อไรไม่มีความอยากเมื่อนั้นไม่มีความทุกข์เนี่ยจิตจะเห็นตรงนี้ถ้าอยากได้ในรูปความทุกข์ก็เกิดอยากได้ในเสียงความทุกข์ก็เกิด จิตก็เลยไม่เอาหมดความพอใจไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปวดทัพเหมอนกันลักษณะจิตก็เหมือนพวกที่เดินกายมาแต่เดินมาคนละมุมนะพวกที่ผ่านมาทางกายจะเดินปัญญาด้วยกันดู ก, กายเห็นกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้าง พวกที่ผ <energy> <pal> ่านมาทางจิตจะเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์เห็นตรงนี้ตรงนี้เป็นปัญญาป่นกลางทำไมยังไม่สมบูรณ์อีกเห็นถึงขนาดนี้เพรายากเห็นไม่ถ่องแท้ไปเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์จิตยังมีสองอย่างจิตที่ทุกข์กับจิตที่ไม่ทุกข์เมื่อจิตยังมีสองอย่างนะ มันก็จะเกิดการดิ้นรนขึ้นมาจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์งานของใจยังไม่เสร็จก็ภาวนาไปอีกส่วนปัญญาตัดสินขั้นแตกหักลงไปไมันจะรู้ว่าตัวจิตเนี่ตัวผู้รูน้นี่แหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวผู้รู้เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างนะอย่างที่พวกเราเห็น แต่มันคือทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยหลวงปูเทศท่านเคยสอนหลวงพ่อว่าถึงจุดนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปทุกสิ่งที่เกิดนะที่ดับไปล้วนแต่เป็นตัวทุกข์ทั้งหมดแล้วจิตเห็นอย่างนี้นะจิตจะหมดตัณหาเลยหมดความอยาก อยากมีความสุขอยากให้ไม่มีความทุกข์ไม่อยากนะอยากให้มีความสุขเนี่ยมันโง่เขาเพราะว่าจริงๆมันคือตัวทุกข์อยากให้มันไม่ทุกข์ก็โง่เขาเพราะจริงๆมันคือตัวทุกข์เห็นไ้มเพราะงั้นถ้ารู้ตัวทุกข์นะรู้อย่าแจมแจ้งลงไปมันจะปล่อยวางหมดความอยากที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นนะตรงที่เราภาวนาไปนะ ในภูมิทําขั้นที่สามเนี่ยจิตมันวางกายแล้วขั้นสุดท้ายมันจะลงมาลุยกันแหลกลานล ง, ลงที่จิตนีง่งไม่ใช่จิตอย่างที่พวกเรามีด้วยจิตที่พวกเรามีนะเป็นจิตที่เป็นกุศลบ้างอ่ะกุศลบ้างนสุขบ้างทุกบ้างอย่างโน้อนอย่างนี้จิตตัวที่เห็นแล้วแตกหักเนี่ยคือตัวจิตผู้รู้ กัจิตผู้รู้จิตผู้รู้มันตรงข้ามกับจิตผู้หลงเนี่เราต้องฝึกตัวเองให้ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้เหมือนเรือถ้าเรายัางข้ามวัตตะไม่ได้ยังทิ้งเรือไม่ได้ต้องมีเรือเหมือนเราข้ามทะเลต้องอาศัยเรือแต่พอเราข้ามวัตตะ ถ, ถึงฝั่งแล้วเราก็โดดขึ้นจากเรือเราไม่แบกเรือไปหรอกต้องทิ้งเรือ ถ้าไม่ทิ้งเรือก็คือขึ้นบกไม่ได้ตัวจิตผู้รู้เหมือนเรือนะเป็นเรือที่เราต้องอาศัยข้ามวัตตะนี่คนในโลกมันข้ามวัตตะไม่ได้เพราะมันไม่มีเรือมันมีแต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่มีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเงินต้องฝึกให้มีจิตผู้รู้ขึ้นมา ก, ก่อน จิตผู้รู้ก็ตรงข้ามกับจิตผู้หลงนั่นแหละนี่คนในโลกมันมีแต่ผู้หลงมไม่มีผู้รู้พระอริยะเลยขาดแคลนถ้ามาฝึกตัวเองให้มันเป็นผู้รู้ขึ้นมาสิแล้วก็รู้อะไรรู้รูป ร, รู้นามเช่นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรูนะ้ความสุขทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายหรือความสุขทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจจิตเป็นคนรู้นะถ้ามีจิตเป็นคนรู้ อย่านี่ถจะเรียกว่าแยกขันเป็นแยกขันเป็นไม่ใช่แยกกายกับเวทนาเท่านั้นนะตื้นไปแยกขันขันมีห้าตัวอย่างน้อยต้องแยกให้จะเป็นสองแล้วหนึ่งในสองนั้นคือจิตวิญญาณขันจิตผู้รู้นี่อยู่ในวิญญาณขันงั้นตัวหนึ่งคือจิตอีกตัวหนึ่งจะเป็นร่างกายก็ได้ นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้สึกนะหรือมีตัวผู้รู้แล้วอีกตัวหนึ่งที่จะไปใช้รู้เป็นตัวเวทนาก็ได้อย่างถ้าเราเดินปัญญานะมีจิตเป็นผู้รู้แล้วเราดูกายอันนั้นคือการเจริญกา ย, ายานุปัสสนาสติปัฏฐานเคล็ดลับของการเจริญ สติปัฏฐานหรือเจริญปัญญาเนี่ยอยู่ที่ว่าต้องมีจิตผู้รู้ตรงนี้เองที่คนส่วนใหญ่พลาดไม่มีจิตผู้รู้แล้วบอกดูกายไปเรื่อยเห็นท้องพองเห็นท้องยุ่มกี่ฟิมก็อยู่แค่นั้นนะมันล้างกิเลสไม่ได้เพราะไม่ได้กุญแจสําคัญไม่ได้จิตผู้รู้หลวงปูมั่นถึงสอนว่าได้จิตคือได้ธรรมนะเสียจิตไปคือเสียธรรมจิตตัวนี้คือจิตผู้รู้นั่นเอง มันได้จิตมาก็ได้ธรรมะเสียจิตไปก็เสียธรรมะไปเราต้องฝึกตัวเองให้มันมีจิตที่เป็นผู้รู้ก็มีจิตพูดเป็นผู้รู้แล้วเวลารู้กายเรียกว่าเจริญกา ย, ยานุปัสนาสติปัฏฐานก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่ไปรู้ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราหรือแยกออกมาเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าดูอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วถ้าแยกจิตตะสังขารจิตปรุงดีปรุงชั่วเท่าไหร่นะมันเป็นของถูกรู้อย่างโลบโกรดหลงเนี่ยถูกรู้จิตมีราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาเห็นมมีจิตด้วย รู้เท่าทันจิตอันะนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเห็นจิตที่มีกิเลสบ้างไม่มีกิเลสบ้างเกิดดับสืบเนื่องกันไปถ้านะเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะสุดท้ายจะเข้าไปธรรมานุปัสสนะาธรรมานุปัสสนาตัวสุดท้ายที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเจอนะคืออริยสัจเริยสัจจะบัพ จะต้องเจอเรียสัตว์ทุกคนะพวกเราที่ยังรู้สึกตัวไม่เป็นยังไม่มีตัวผู้รู้พอรู้สึกตัวได้แล้วมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วอย่ารู้ซื่อบื้ออยู่เฉยๆแยกขันออกไปให้เห็นในร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้เนี่ยมีจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วด้จะเห็นนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหเห็นเอง สิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างใ้เครื่องกรองอากาศเนี่ยถูกพวกเรารู้ไม่มีใครเห็นเครื่องกรองอากาศเป็นตัวเราถ้าใครเห็นเนี่ยปรึกษาจิตแพทย์นะบ้าแล้วนะมันเรื่องง่ายๆแค่นี้เงงั้นถ้าจิตเราไปเห็นร่างกายข้ามจะรู้สึกเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเนี่ย ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเช่นโลภโกรดหลงเป็นแค่สภาวะธรรมที่ผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวจิตผู้รู้ตัวนี้ปฏิบัติต่อจิตผู้รูนะ้จะต้องเรียนรู้จิตผู้รู้ด้วยอย่ารักษาจิตผู้รูนะ้อย่าให้จิตผู้รู้เที่ยงอย่างพวกเราที่ภาวนาบางคนนะ เห็นทุกอย่างเกิดดับหมดเลยเหลือแต่จิตผู้รู้เที่ยงอยู่ตัวเดียวในเนี้ยเหลือตัวหนึ่งคงที่ตลอดทำผิดนะกระทั่งตัวจิตผู้รู้ต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งถลําลงไปเพ่งไปจ้องจมลงไปในอารมณ์กรรมฐานเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้อยู่กับใจ เดี๋ยก็เป็นผู้ไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยตัวผู้รู้เองก็เกิดดับอย่ารักษาตัวผู้รู้ให้เที่ยงนะมีบางคนเรียนไม่ดีก็บอกให้จิตเที่ยงจิตเที่ยงจิตเที่ยงทำไมรู้สึกว่าจิตเที่ยงจิตของพรอมหรอกที่รู้สึกเที่ยงเอาเข้าจริงจิตพลอมก็ไม่เที่ยงเแต่ว่ามันเกิดซ้ําๆกันมันเหมือนเดิม อยู่ได้เป็นปีๆก็เลยรู้สึกว่าจิตมันเที่ยงภูบาจารย์สอนดีนะอย่างหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก็อท่านสอนบอกว่าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิของมันไม่เที่ยงเป็นภาวนาผิดมันก็เที่ยงขึ้นมานใช่ไม่ได้เนี่ยเราค่อยๆฝึกนะฝึกไปวันนี้เทศยากนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ช่วยสอนมากันร่งพร้อม อยู่ปรเทศธรรมดาไม่สะกใจผู้ช่วยสอนเดี๋ยววันหลังเขาไม่ยอมช่วยเดี๋ยวพวกเราค่อยๆฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆล้างกิเลสหลวงปูดูลท่านเรียกว่าจิตยิ้มหลวงปูดูลท่นว่าจิตยิ้มจิตยิ้มมันเป็นสภาวะตอนที่เกิดอริยมรรยะผลขึ้นมา แลจิตมันด่าเริงเบิกบานขึ้นมาใน ต, ตอนที่เกิดมรรคผลนะไม่ใช่จิตทุกคนยิ้มนะไม่ใช่ทุกคนต้องมีส ม, มนักเบิกบานบางคนเป็นอุเบกขาก็มนะีมีได้สองแบบแลจิตมันเบิกบานขึ้นมามันว่างมันก็สว่างขึ้นมาแล้วมันเบิกบานมีสามชอต บางคนช่วงนี้มีสองช็อตมันก็ว่างกระสว่างขึ้นมาแต่มันไม่เบิกบานในธรรมจักนี่งบอกจักของอุทธปาธิดวงตาเกิดขึ้นแล้วยานาอุทธปาธิญาญอย่างรู้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทธปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาอุทธปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วอาโลโก อ, อุทธปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว จบรงที่แสงเพราะว่าเป็นสากลบางคนที่มีสมนัตด้วยค่อภาวนานสนุกสนุกหลวงพ่อเมืจเจอหลวงปุดูลภาวนานะโห้ยมันมากเลยสนุกในการเรียนรู้ตัวเองเห็ น, นจิตมันทำงานได้สารพัดมันไม่ต้องให้ใครมาบังคับให้ภาวนา ชอบภาวนาของไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเห็นได้เห็นของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจมันสุขมันรู้ทุกแจ่มแจ้งเนะสุดท้ายมันสุขจนไม่รู้อะไรจะเหมือนสุขจนน้ำตาตกเลยนะความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยหรือ เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนต่อต่ อ, ตอกันมานะหลวงพ่อขยันภาวนาแวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนแบบไม่ปิดบังละเอียดลึกซึ้งคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรอกอย่างคําสอนของหลวงปู่ดูลที่บอกพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านสอนส อ, นสองคนเองสอนหลว พ, พ่อพุธ ก่อนหลวงพ่อเจดวันแล้วก็สอนหลวงพ่อเวอร์คนสุดท้ายงั้นส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยสอนท่านจะบอกให้หนึ่งช็อตเราก็ต้องทำไปถึงตรงนี้แล้วท่านก็บอกต่อแต่ตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านครั้งสุดท้ายสามสิบหกวันก่อนท่านจะมรณภาพท่านเลยบอกทีละช็อตไม่ทันแล้วเราภาวนามไม่ทัน ถ้านเลยบอกจุดสุดท้ายให้บอกการภาวนาเนี่ยพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงงั้นแต่ตอนนี้ต้องมีผู้รู้ก่อนนะถ้าไม่มีผู้รู้เราก็จะมีอะไรมีผู้หลงสิมีผู้หล ง, หลงก็ไม่ได้เรื่องหรอกผู้หลงส่วนใหญ่ก็ไปอบาย โศกเยอะทุกเยอะตกนรกนียโลกมากเป็นเปรดชี้ขาดเจ้าเล่ห์แสนโกนเพวกนี้พวกอสุรกายพว ก, พ, วกพวกเมอพวกหลงพวกเผลอเดราชาเ น, นี่แต่ถ้ามีศีลขึ้นมาละ่ะคนมีศีลแล้วขี้มโมโหเคยเห็นไหมมีศีลแต่ขี้มโมโหมีศีลแต่ว่าขี้โลภ แต่ว่าไม่ทำผิดศีลอย่างเจอเมียชาวบ้านก็ชอบนะเจอเมียชาวบ้านก็ชอบแต่ไม่ไปทำผิดศีลพวกนี้ตายไปเป็นเทวดาชั้นจ่าตุกจะไปเป็นพวกกลุ่มพันพวกกลุ่มพันเนี่ยมีศีลแต่ว่าหมกมุ่นในเรื่องกามกลุ่มพันมาจากคาว่ากลุ่มพระอันทะลูกอันทะใหญ่เท่าหม้อ <laughs> ถ้าบางคนมีศีล น, นะแต่มันชี้หงุดหงิดเจออะไรก็หงุดหงิดทุกเรื่องเลยแต่ไม่ทำผิดศีลมีไหมเคยเจอไหมอย่างพวกเราเองไง น, นะ <laughs> มันหนงุดหนงะิดอะเวลาจะพูดแต่ละประโยคนั้นะมันจะมีประโยชน์มันจะมีเอ็กซ์เนอย่างเงี้ยนะ มีทั้งวันเลยจะพูดจะทำจะคิดนะมันฮึดๆๆอย่างนี้ทั้งวันเลยนะนะพวกนี้ไม่ผิดศีลนะแต่ตายแล้วไปเป็นเทะดาชั้นจ่าตูเหมือนกันแต่ไปเป็นยักษ์นะพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันตอนตายเนี่ยคงโมโหลูกชายยกราชสมบัติให้ไม่เงี้ยจับมาขัง ขังยังไม่พอนะไม่ให้กินข้าวนะไม่ให้กินข้าวล้วก็ยังไม่ตายภาวนาเดินจงกรมได้ตัดเส้นเอ็นที่เท้าอีกนะทรมานมากท่านก็นั่งดูพระขันทกุดีของพระพุทธเจ้าพระทเจ้าก็เดินให้ดูเรื่อยๆจิต ย, ย่งยุรงปิติอยู่อง น, นนะัสุดท้ายท่านก็ตายพอท่านตายแล้วท่านรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ไปประกาศว่าท่านชื่อยักษ์ชื่อนี้ชื่อนี้นะคือพระเจ้าพิมพิสารเ mm hmm. นี่ยมีศีล น, นะแต่ว่ามันมีนิสัยความหงุดหงิดนะมันแทกอยู่ตลอดจะพูดจะทำใจคิดอนะไรหงุดหดงิดหดงุดหงิดตลอดเวลา mm hmm. ก็ไปเป็นเทวดายักษ์ถ้าราคะแทรกอยู่ตลอดเวลานะก็ไปเป็นกลุ่มพันตัวกลุ่มพันตัวเมียเป็นไงไม่รู้นะ <laughs> เพราะุ่มพันมันชื่อมันมีแต่ตัวผู้กิเลสจิตเราเป็นยังไงนะมันก็พาเราไปสู่ภูมอันนั้นแหละเป็นลำดับลำดับไปถ้ามีศีลแต่ชอบนิ่ง นะเีนะ้ไปเป็นพวกนาคมีโมหะเยอะนะมีโมหะเยอะรักษาศีลนะคือเป็นเทวดาได้เหมือนกันเป็นลูกน้องท้าววิรู ป, ปักนษะนาคมีหลายแบบนะที่เป็นเทพก็พมีนะที่เป็นสัตว์ก็มนะีมีหลายตระกูล มีอยู่คราวหนึ่งไปภาวนาอยู่ที่หินมะเป้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขาลือกันว่าแม่น้ำโขงมีพญานาคในี่ตอนเย็นไปนั่งสมาธิกันริมแม่น้ำโขงก็มีน้องในทีมในเนี่ย แทนที่ภาวนาแล้วจะดูจิตใจดูร่างกายตาล่านึกถึงนาคได้ยินมาว่าในแม่น้ำโขงมีพญานาคขอดูหน่หอยเอะอยากเห็นเนี่ยมานั่งสมาธิอยู่ตรงเนี้ยได้บุญได้กุศลเดี๋ยวยกให้ขอให้นาคมาเอะเสร็จแล้วก็เกิดเฉลียวใจถ้านาคตัวใหญ่ๆมาเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์ร้าย นะเดี๋ยวหุ่นยิบขึ้มาน่ากลัวเกินไปงั้นขอน่ากเล็กๆขอลูกนะขอลูกพยานาะหมดเวลาลนะจิตเป็นยังไง ถือเวลานะเล่าอีกหน่อยก็ได้เดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับถือเวลาก็เห็นนะโผล่ขึ้นมาจะ ก, กลางแม่น้ําขงขนาดลูกนาคนะตัวกว้างแค่นี้ความกว้างนะไม่ใช่ความยาวนะถ้ายาวขนาดนี้มันจะไหลตัวโผล่ขึ้นมาแล้วกายทิพย์ที่สอนขึ้นมา กายทิพย์ที่ซ้อนขึ้นมาไม่เป็นเด็กงดงามมากเลยพวกเทพมนะันไม่เหมือนพวกเราหรอกพวกเราร่างกายมันปูดปวดปมปมนะอย่างข้อศอกแขนอะไรนะี่ดูเป็นปุ่มเป็นปมน่าเกลียดพวกเทพเนะี่ยไม่เป็นปุ่มเป็นปมดูงามมากเลยดูนุ่มนวล น, นะนมมือนุ่ ม, น, มนวลแต่สง่างามซึ่งมนุษย์ไม่ค่อยมี มนุษย์เนี่ยถ้าจะสง่างามต้องดูขึงขังใช่ไมไม่ค่อยนุ่มนวลเนี่ยพวกเทพเนี่ยจะนุ่มนวลไปภาวนาเอาเผื่อวันหนึ่งจะเห็นเราเองฟังเขาเล่าก็เท่านั้นแหละไอ้บ้างไฟพญายนาน่มีมาก่อนตั้งนานแล้วก่อนอยู่กับหลวงพุ่เทศเนี่ย พอวันจะออกพรรษาเนีท่านบอกล่วงหน้าเลยปีนี้ให้ไปดูที่กุฏนี้กุตินี้กุติดิ่มแม่น้ําคงคราวนี้ไปอยู่ของโยมนี้คราวนี้อยู่กุฏโยมนี้แห่กันเพื่อดีกุฏไม่พังเป็นนั่งดู <c oughs> ถึงอวลามันก็ขึ้นมาจริงๆริงสมัยก่อนนะมันก็ยังขึ้นบอกมันขึ้นอย่างนี้มาทุกปีแหละ ก่อนจะขึ้นเนะี่ยหลวงปู่จะบอกล่วงหน้าปีนี้จะขึ้นกี่ลูกตรงไหนตรงไหนแถวหินมะเป้งบ้าคนหนึ่งก็ถามหลวงปู่ทำไมหลวงปู่ทราบละ่ะมีคนมาบอกวันี้ก็ถามคนที่ไหนท่านก็เฉยเฉยแต่งตัวยังไงบอกเขาแต่งเรียบร้อย มีเครื่องประดับสวยงามมีลูกแก้วห้อยคออยู่ด้วยลูกหนึ่งสวยมาบอกเนี่ยพวกเราอยากได้ลูกแก้วพญานาคกันใช่ไหมไปซื้อของปลอมมาเยอะเลยเขาจริงม่เอามาได้ไงตีตายเอาแล้วเล่านิทานพอสมควรละเพราะว่าธรรมะที่เทศให้ฟังนะมันยาก มันประนีตลึกซึ้งนะให้ใจมันผ่อนคลายซะหน่อยจิตจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเตรียมไปเบียนเทียนตอนนี้จะนะานำถวายพร่พระพวกเราไม่ต้องถวายแข่งกับพระพวกเราเยอะพวกเราส่วนนี้พระร่มเลยสู้เราไม่ไห ว, วเรานั่งสมาธิไป เราเวียนเทียนกันเสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็นั่งดูพวกเราเวียนเราได้ฟังธรรมนะแล้วระหว่างที่ฟังธรรมเนี่ยเราไม่ได้โกหกครทำชั่วอะไรเราก็จิตเราก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมา ตอนเราไป เ, ปเียนเทียนก็ถือเป็นการปฏิบัติบูชาคือการเดินจงกรมนั่นเองหน้าใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ทุกก้าวย่างได้บุญมากทางไปสู่สวรรค์ถ้าเราเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดู ใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้เป็นทางไปพนานิพพานก็เดินแล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรไปเป็นทางไปสวรรค์คนเดินเท่าๆกันแต่ผลตอบแทนไม่เท่ากันอยู่ที่วางจิตไปแบบไหนยัน ต่อไปเวลาเราเวียนเทียนเราทำไรนะถ้าใจเราฟุ้งซ่านคิดถึงพระพุทธเจ้านนอยก็ได้บุญถ้าใจเรามีกำลังแล้วเราเจริญปัญญาไปเลยทุกก้าย่างนี้เห็นรูปเห็นนามมันทำงานไปเราใกล้เดินใกล้พระ น, นิพพานเข้าไปเรื่อยๆปีนี้ก็ยังใช้เวลาเดินเยอะอยู่ ต่อต่อไปคงเร็วว่า น, นี้เพราะว่าไปเดินอย่างที่โบสได้ที่โบสมันจะไม่ต้องเดินเรียงหนึ่งอย่างนี้วันนี้ต้องเรียงหนึ่งแ้าเลียงสองเดี๋ยวตกลงมางข้างจะไปเทวโลกเร็วเกินไปแล้วต่อไปจิตพวกเรามีบุญมีกุศลแล้วนะเป็นเวลาบุทตรส่วนบุญส่วนกุศล ตั้งใจคิดถึงบุญที่เราสร้างแล้ก็อุทิศไปไม่รู้จะให้ใครก็ให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหรือมีใครพิเศษตั้งใจระลึกถึงคนนั้นระลึกจนเหมือนหน้าเขาโผล่ขึ้นมาส่วนพ่อแม่เราตายแล้วเราคิดถึงนึกเหมือนเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เราขึ้นมา ใ, นใจเราเชื่อมต่อ ส่งไปถ้าส่งเองไม่ได้ก็ขอเทวดาให้ช่วยส่งให้นึกถึงแม่ทรณีอะไรย่างนี้ท่านเป็นผู้เก็บบุญเอาไว้ช่วยเราเองแหละสะสมเอาไว้นิมนต์ท่านจะนาะ อนุโมทนาทุกคนนะเมื่อกี้ตอนพวกเราเวียนก็มีคนถามว่าไม่แจกพระหรนอบอกมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่มีไม่พอแจกนั้นอย่าแจกเลยเหลือคนไม่ได้เสียใจไปนะเชิญกับบ้าง